หลักการในเรื่องที่ว่ามานี้ก็คือมนุษย์จำต้องมีระเบียบเพื่อความอยู่ร่วมกันด้วยดีสังคมจึงต้องมีวินยัยและให้บุคคลมีศีลที่จะประพฤติตามวินัยของสังคมอย่างไรก็ตามระเบียบวินัยอาจกลายเป็นเพียงเครื่องมือจำกัดเสรีรภาพของคนหรือถึงกับถูกเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือทาคนให้เป็นทาสของระบบก็ได้ถ้าระเบียบวินัยนั้น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 จากการครอบงำของกิเลสและความทุกข์ถ้าถูกปล่อยให้มีโอกาสและเสรีภาพที่จะใช้ปัญญาอย่างบริรรสุทธิ์ปราศจากการเคลือบแฝงใดๆอย่างที่เรียกว่าเป็นอยู่ด้วยปัญญาย่อมไม่จาเป็นต้องมีมาตรการใดๆเกี่ยวกับระเบียบวินยัยเพราะควา ม, มีระเบียบวินยัยมีพร้อมอยู่ในตัวของผู้นั้นแล้วและยิ่งกว่านั้นไปอีกก็คือ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 พึงสังเกตวิธีบัญญัติวินัยสงฆ์ของพระพุทธเจ้าว่า น, นอกจากทรงประชุมสงฆ์ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์และทรงบัญญัติขึ้นโดยความรับรู้และเห็นชอบร่วมกันแล้วถ้อยคำที่ใช้ก็ไม่มีคำว่าสั่งห้ามบังคับย่าหรือจงเป็นต้นสำหรับลักษณะความที่เรียกกันว่าห้ามทรงใช้ข้อความว่าภิกษุใดกระทาการอย่างนั้นอย่างนั้น ก็เป็นอันถึงการละเมิดระดับนั้นๆสำหรับความผิดทั่วๆไปนอกปาติโมกอย่างมากก็ใช้ว่าไม่พึงทำอย่างนั้นอย่างนั้นส่วนลักษณะความที่เรียกกันว่าสั่งหรือบังคับทรงใช้คาว่าอนุญาตหรืออย่างมากก็ใช้ว่าพึงทำอย่างนั้นอย่างนั้นแม้ระบบแแผนวัฒนธรรมประเพณีและสถาบันต่าง มีอยู่แล้วของสังคมก็พึงให้สมาชิกรุ่นใหม่แต่ละรุ่นได้เรียนรู้เข้าใจคุณค่าโดยถูกต้องพร้อมกันนั้นก็ฝึกให้เรียนรู้เข้าใจสภาวธรรมให้รู้จักมองโลกและชีวิตตามความเป็นจริงตามธรรมชาติที่จะให้หลุดพ้นจากอํานาจปรุงแต่งหล่อหล้อมของสังคมและเข้าถึงความดีงามสูงขึ้นไปที่สังคมไม่อาจอํานวยให้ได้ แล้วข้อที่สำคัญยิ่งก็คือสังคมนั้นพึงเป็นสังคมที่เป็นกัลยาณมิตรหรืออย่างน้อยเป็นที่มีกัลยาณมิตรอันพอจะหาได้สำหรับจะมาช่วยฝึกช่วยแนะโยนิโสมณสิการในเรื่องที่ได้กล่าวมานี้